วิธีส ม, มุติโรงอุโบสถและกรรมวาจาส ม, มุติโรงอุโบสถท่านผู้เจริญขอทรงจงฟังข้าพเจ้าถ้าสงพร้อมกันแล้วสงส ม, มุติวิหารมีชื่อนี้ให้เป็นโรงอุโบสถนี้เป็นยติท่านผู้เจริญขอทรงฆจงฟังข้าพเจ้าสงส ม, มุติวิหารมีชื่อนี้ให้เป็นโรงอุโบสถท่านรูปใดเห็นด้วยกับการสมุติวิหารมีชื่อนี้ให้เป็นโรงอุโบส ถ, ถ, ถท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วง วิหารมีชื่อนี้ทรงสมมติให้เป็นโรงอุโบสถแล้วทรงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้